ก็ได้นี่ก็เป็นคําประพันธ์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมงคลเทพมุนีสดจันทัศโรหรือหลวงพ่อวัดปากน้ำผู้คนพบวิชาธรรมกายของพระพุทธเจ้าวันนี้ทางรายการนํามาฝากท่านสาธุชนเป็นไตเติ้ลรายการก็ต้องขอเจริญสุขท่านสาธุชนผู้ติดตามรับฟังรายการธรรมะส่สันติอยู่เป็นประจา ซึ่งอัตมาก็ได้ทาหน้าที่นำเสนอธรรมะอันเป็นสาระแก่สาธุชนเป็นประจำทางรายการนี้ทางในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสถานีแห่งนี้วันนี้ก็เช่นเคยอัตมาก็มีธรรมบรรยายของหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยะมังคโลมาฝากท่านสาธุชนวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องวัตถุประสงค์ของการเจริญภาวนาตามแนววิชาธรรมกาย หลวงพ่อท่านได้บรรยายไว้ให้แก่ผู้ศึกษาและปฏิบัติธรรมได้รับฟังกันจึงขอเชิญท่านสาธุชนทุกท่านมารับฟังสารธรรมจากธรรมบรรยายของหลวงพ่อโดย พ, พร้อมกันในบัดนี้ทีนี้การเจริญภาวนาธรรมนั้นที่ท่านทั้งหลายมุ่งหมายที่จะมาศึกษาอบรมก็แปลว่า เราจะมาศึกษาอบรมภาวนาสมาธิและเจริญภาวนาธรรมโดยมีศีลหรือพระวินัยนี่สำหรับพระภิกษุศีล ส, สำหรับสามเณรและอุบาสกอุบาสิกาเป็นบาตรเพื่อ ทำใจให้ปลอดจากกิเลสนิวร์นี้ในขั้นสมถะกรรมฐานเพื่อให้เข้าใจถึงสภาวะของสังขารธรรมคือธรรมชาติที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งว่าปรุงแต่งอย่างไรเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคือมีสามัญลักษณะอย่างไร นะครับความที่ว่าเพื่อให้รู้นั้นในทางธรรมะท่านใช้คำว่าให้รู้แจ้งแทงตลอดการจะรู้แจ้งแทงตลอดในวิชาธรรมกายของเรานั้นแนวทางการปฏิบัติเป็นไปเพื่อจเจริญ ภาวนาสมาธิให้ใจสงัดจากกิเลสนิวรด้วยและเพื่อเจริญวิชาด้วยการเจริญวิชานั้นก็เป็นผลแต่การปฏิบัติให้ได้เจริญวิชาพื้นฐานคือทิพยจักษุทิพสูตร ซึ่งผู้ที่ปฏิบัติด้วยอิทธิบาทธรรมจะได้รับผลนี้ตามระดับภูมิธรรมของตนที่ปฏิบัติได้และด้วยวิชาอันเป็นพื้นฐานนี้เองให้เจริญวิชาสูงยิ่งยิ่ ง, ย, งยิ่งขึ้นไปให้เข้าไปรู้ไปเห็นสังขารธรรม หรือธรรมชาติที่ว่าเป็นสังขารเนี่ยปรุงแต่งอย่างไรและจะได้เห็นสภาวะที่ชื่อว่าสามัญลักษณะของธรรมชาติเหล่านี้ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตายอย่างไรการเจริญภาวนาในขั้นนี้เป็นขั้นเจริญสติปัฏฐานสี่ ผ่านกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมของแต่ละกายจากสุดหยากไปสุดละเอียดเรียกว่าณภายในและณภายนอกถึงธรรมกายซึ่งเป็นกายที่พ้นโลกปราศจากปัจจัยปรุงแต่ง แล้วอาศัยตาแหลยานธรรมกายนั้นแหละที่เจริญวิชาสูงขึ้นน้อมเข้าสู่วิชาต่างๆพิจารณาสภาวธรรมให้เห็นแจ้งธรรมชาติทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายที่เป็นสังขารที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งให้เห็นชัดๆอีกทีหนึ่ง ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างไรแล้วให้เห็นธรรมชาติอีกฝ่ายหนึ่งที่ไม่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งชื่อว่าอาสังกตธาตุอสังกตธรรมหรือวิสังขารได้แก่ธรรมชาติของพระนิพพานซึ่งหมายเอาทั้งสภาวะ ที่ว่างหรือปราศจากกิเลสกับผู้ทรงสภาวะที่ว่างจากกิเลสนั้นด้วยและที่สถิตยอยู่ของผู้ทรงสภาวะนั้นชื่อว่าอายะตนานิพานด้วยเมื่อเข้าใจได้เข้าไปถึงได้รู้ได้เห็น พระนิพพานในสามสภาวะนี้แล้วก็จะแจ้งในสามัญลักษณะของสังขารทั้งปวงด้วยและในวิสังขารด้วยเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ความเห็นแจ้งในอริยสัจเจริญขึ้นอย่างรวดเร็ว คือทุกขสัจจะสมุทัยสัจจะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนิโรธสัจจะสภาวะที่ทุกข์ดับเพราะเหตุดับถ้าว่าได้เข้าถึงได้รู้ได้เห็นได้เป็นธรรมกายแล้วจะเข้าใจสภาวะนี้ได้เป็นอย่างดีและเข้าใจไปถึงมรรคสัจจะให้เกิดให้เจริญขึ้น เพื่อประหารสัญโย์กิเลสเครื่องร้อยรัดให้ติดอยู่กับโลกให้หมดสิ้นไปได้ตามระดับภูมิธรรมของท่านที่ปฏิบัติได้นี้เป็นแนวทางของการศึกษาปฏิบัติธรรมตามแนววิชาธรรมกายซึ่งบางท่านเคยคิดว่าธรรมะปฏิบัติตามแนววิชาธรรมกายนี่ อยู่นอกพระพุทธศาสนาหรืออย่างไรจึงชื่อว่าธรรมะปฏิบัติตามแนววิชาธรรมกายทำไมไม่พูดธรรมะปฏิบัติเฉยๆเหมือนคนอื่นเขาความจริงไม่ได้มีอะไรพิเศษเป็นเรื่องธรรมะปฏิบัติของพระพุทธเจ้าโดยตรงนั่นเอง แต่ที่ยกคำว่าวิชาธรรมกายขึ้นมานั้นก็เพราะว่าถ้าปฏิบัติถูกต้องตรงตามคำแนะนำของครูบาอาจารย์ตามพระธรรมพระวินัยของสมเด็จพระสัมมาสัพพุทธเจ้านี่แล้วได้ถึงธรรมกายเมื่อปฏิบัติได้ถึงธรรมกายแล้ว การเจริญปัญญารู้แจ้งทั้งในสภาวะธรรมของสังขารธรรมทั้งปวงและของวิสังขารเป็นอันชัดเจนแจ่มแจ้งตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้และเมื่อเข้าถึงรู้เห็นและเป็นธรรมกายแล้วยิ่งจะเข้าใจอริยสัจ ให้มักเจริญขึ้นเกิดเจริญขึ้นเกิดด้วยและเจริญขึ้นด้วยเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องอะไรอื่นนี้เป็นธรรมะปฏิบัติตามรอยบาทพระพุทธองค์ธรรมดาปกตินั่นเองแต่ว่าปฏิบัติได้สมบูรณ์โดยประการว่าเมื่อเข้าถึงธรรมกาย ธรรมกายนั้นเป็นพระพุทธเจ้าและเมื่อจเจริญมรรคผลเป็นธรรมกายมรรคธรรมกายผลถึงที่สุดแห่งทุกข์คือธรรมกายที่บรรลุอรหัตผลแล้วนั่นเองชื่อว่าพระนิพพานพระพุทธองค์จึงทรงตรัสเรียกธรรมะคันโล ก, กุตระว่ามรรคสี่ผลสี่ะนิพพานหนึ่ง ชื่อว่าพระนกพโลกุตระธรรมเจ้าเก้าประการและพระนิพานนี้มีความหมายซึ่งพึงจะสนใจพึงจะเข้าใจถึงสามนัยยะนัยยะที่หนึ่งคือนัยยะของสภาวะของพระนิพานนัยยะที่สองคือผู้ทรงสภาวะนั้น ในยะที่สามคืออายตนะนิพานที่สถิตยอยู่ของสภาวะนั้นทั้งสามในนี้ล้วนแต่มีอยู่ในพระไตรปิฎกทั้งสิ้นแต่ว่าไม่ปรากฏมีผู้ใดยกขึ้นมาพูดให้ชัดเจนเหมือนกับหลวงพ่อวัดปากน้ำ ผู้ค้นพบวิชาธรรมกายของจริงแล้วเอามาเปิดเผยอย่างชัดเจนในยุคนี้ที่ว่าค้นพบนี่ไม่ได้หมายความว่าเป็นของใหม่เป็นของที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกแต่ไม่มีคนรู้จักและเป็นเหตุ ให้เมื่อไม่รู้จักธรรมกายแล้วทำให้ความเข้าใจในเรื่องของพระนิพพานไม่สมบูรณ์ขณะนี้สาธุชนกำลังติดตามรับฟังรายการธรรมะส่สันติที่จบไปนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมะบรรยาย ของหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยะมังคลโลในเรื่องวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติภาวนาธรรมตามแนววิชาธรรมกายซึ่งก็นำมาจากบรรยากาศการอบรมพระกรรมฐานที่มีรพระภิกษุสงฆ์สามเณรและสาธุชนเข้ามาร่วมปฏิบัติกันเป็นจำนวนมากและต่อจากนี้ไปอาตมาจะขอนำธรรมปฏิบัติมาสู่ท่านสาธุชนซึ่ง ขอเชิญท่านผู้ฟังทุกท่านมาตั้งใจชำระจิตใจของเราให้ผ่องใสปราศจากกิเลสนิวรณ์เครื่องกลั่นปัญญาโดยการปฏิบัติภาวนาธรรมตามที่หลวงพ่อจะให้คำแนะนำโดยขอเชิญท่านสาธุชนทุกท่านมาตั้งใจนั่งในท่าคัดสมาทิเอาเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางอยู่บนมือซ้าย นิ้วชี้ขวาให้จดหัวแม่มือด้านซ้ายแล้วตั้งกายของเราให้ตรงดำรงสติให้มั่นคงคือไม่เผลอสติและสูดลมหายใจลึกๆพอสบายแล้วปล่อยกายตามสบายไม่ต้องเกร็งให้กำหนดเครื่องหมายดวงแก้วกลมใสและท่องสัมมาอารหังสัมมาอารหังกำกับใจไว้ ตามที่หลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยะมังคโลจะให้คำแนะนำพระ ก, กรรมฐานเบื้องต้นแก่สาธุชนเพื่อที่จะได้ฝึกจิตใจของเราให้ได้รับความสงบจากธรรมปฏิบัติจึงขอเชิญท่านผู้ฟังทุกท่านมาน้อมใจปฏิบัติธรรมตามแนววิชาธรรมกายโดยพร้อมกันทุกท่าน นั่งในท่าคัดสมาธิให้ดีนะฮะก่อนแต่จะเจริญภาวนาธรรมเมื่อรวมใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายแล้วทุกท่านตั้งจิตอธิษฐาน นึกถึงบุญกุศลที่เคยได้สร้างสมอบรมมาจนปัจจุบันได้แก่ทานกุศลศีลกุศลและภาวนากุศลเป็นต้นพร้อมทั้งคุณครูอุปชาอาจารย์คุณบิดามารดา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 ตลอดถึงของต้นธาตุต้นธรรมในที่สุดละเอียดขอจงมารวมเป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยประคับประคองใจของเราให้หยุดให้นิ่งให้สิ้นกิเลสนิวร์เครื่องกั้นปัญญาได้แก่ความฟุ้งซ่านแห่งจิตใจ ความง่วงเหงาซึมเศร้าไม่กระปรี้กระเปร่าแห่งจิตใจความหงุดหงิดไม่สบายใจวิตกห่วงกังวลต่างๆตลอดทั้งความลังเลสงสัยในการปฏิบัติธรรมและความยินดีพอใจยึดติดในการมคุณทั้งห้าเป็นต้นอย่าได้ปรากฏมีขึ้นในใจของเรา หากว่าปรากฏมีขึ้นขอให้มีสติสัมปชัญญะรู้เท่าทันกิเลสนิวรณ์ทั้งหลายเหล่านี้และแก้ไขโดยกําหนดบริกรรมนิมิตบริกรรมภาวนาคู่กันหรือยกอารมณ์ขึ้นสู่อารมณ์วิตกวิจารณ์ปิติสุขเอกคัคขตารมณ์ทําเครื่องกําจัดกิเลสนิวรณ์ทั้งหลาย ให้หมดสิ้นไปโดยพลันขอจงมีปัญญาได้ดวงตาเห็นธรรมขอจงได้เข้าถึงได้รู้ได้เห็นได้เป็นธรรมกายเป็นพระนิพพานคือธรรมกายที่บรรลุอรหัตผลแล้วพร้อมด้วยวิชาได้แก่วิชาสามวิชา8ปดอภิญญาหกจตุปฏิสัมภิทาญาณเป็นต้นและจารณะสิบห้า ทำปฏิบัติเครื่องกำจัดกิเลสอวิชชาตันหาอุปาทานเหตุแห่งทุกข์ทั้งหลายให้หมดสิ้นไปได้ถึงซึ่งมรรคผลนิพพานทั้งนิพพานถอดกายและนิพพานเป็นที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ทั้งปวงตลอดสิ้นกาลนานเมื่อตั้งจิตอธิษฐานแน่แน่แนดีแลว้วส่วนท่านที่ยังไม่เห็นดวงเห็นกายหรือเห็นเห็นหายหาย ให้รวมใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเหนือระดับสะดือสองนิ้วมือมีที่หมายเป็นจุดเล็กใสประมาณเท่าเมล็ดโพเมล็ดใสคือเมื่อเราหายใจเข้าออกสังเกตเห็นด้วยใจเส้นทางลมหายใจเข้าออกนั้นนึกให้เห็นดวงแก้วกลมใสตั้งอยู่ในกลางทองของเรา กลางเส้นทางลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าหายใจออกสังเกตให้เห็นลมกระทบดวงแก้วกะให้ศูนย์กลางดวงแก้วตกประมาณอยู่ศูนย์กลางกายเหนือระดับสะดือสองนิ้วมือกะประมาณเอาหรือที่ว่าเส้นตรงสองเส้นตัดกันนั่นแหละศูนย์กลางดวงแก้วตั้งอยู่ตรงนั้นกะประมาณเอาไม่ต้องเอาเป็นเอาตายบังคับให้ได้ไม่ใช่นะ ใจนั้นยิ่งบังคับยิ่งฟุ้งซ่านต้องเบาๆกำหนดใจเบาๆอย่าเพ่งนิมิตแรงอย่าอยากเห็นจนเกินไปทำใจเบาๆสบายๆตรึกนึกให้เห็นจุดเล็กใสกลางดวงแก้วกลมใสไว้เป็นสำคัญ ท่องในใจสัมมารหังสัมมารหังสัมมารหังกลางของกลางจุดเล็กสนั้นอย่าได้เอาใจใส่นึกถึงเรื่องอื่นใดนอกเรื่องพระกรรมฐานทั้งสิน้นให้ใจอยู่ในกลางของกลางจุดเล็กสนึกให้เห็นจุดเล็กสเอาไว้ได้เท่าไราเอาเท่านั้นสัมมารหังสัมมารหังสัมมารหังนิ่ง ไม่ช้าใจอันประกอบด้วยดวงเห็นดวงจำดวงคิดดวงรู้ซึ่งตั้งอยู่ในท่ามกลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายจะลอยเด่นขึ้นมาปรากฏตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเห็นแล้วอย่าสะดุง้งอย่าตื่นเต้นอย่ายินดียินร้ายนึกเข้าไปเห็นจุดเล็กใสเพื่อให้ใจหยุด หยุดในหยุดกลางของหยุดนิ่งเข้าไปนิ่งนิ่งเฉยเฉยกลางของกลางจุดเล็กใสจะปรากฏเหมือนมีแรงดึงดูดเข้าตรงศูนย์กลางนั่นแหละใจเราหยุดนิ่งศูนย์กลางขยายออกดวงใหม่จะปรากฏเราก็จี้ใจของเราหยุดในหยุดกลางของหยุดกลางของกลางดวงสว่างนั่นให้ใสละเอียดใสละเอียดเข้าไปใสละเอียดเข้าไปทีละดวงทีละดวง บางคนเร็วบางคนช้าไม่เท่ากันหยุดในหยุดกลางของหยุดนิ่ ง, งเรื่อยไปเข้าถึงดวงที่ใสละเอียดที่สุดแล้วหยุดนิ่งศูนย์กลางขยายออกกายในกายณภายในของเราจะปรากฏหน้าตาเหมือนผู้ปฏิบัติทุกประการแต่โปร่งใสสวยงามกว่ากายเนื้อบางรายเห็นกายธรรมปรากฏขึ้นก็มี ไม่ว่าจะเห็นกายละเอียดกายใดปรากฏขึ้นเรานึกเข้าไปเป็นกายละเอียดนั้นเรียกว่าดับอยากไปหาละเอียดหยุดในหยุดกลางของหยุดให้ใสละเอียดทั้งดวงทั้งกายและองค์ฌานหยุดนิ่งใสละเอียดสว่างสูนกลางจะขยายออกกายในกายที่โตใหญ่ยิ่งไปกว่าอีกเท่าตัวได้แก่กายทิพย์ และต่อไปก็กายทิพย์ละเอียดแล้วก็ต่อต่อไปก็จะมีกายในกายที่ละเอียดละเอียดโตใหญ่ยิ่งไปกว่าสวยงามละเอียดประนีตยิ่งไปกว่าได้แก่กายพรมและพรมละเอียดอารูปพรมอารูปพรมละเอียดไปจนถึงสุดละเอียดแล้วจะถึงธรรมกายไม่ว่าจะเห็นกายละเอียดกายใดให้ดับยาไปหาละเอียดเป็นกายละเอียดใหม่เรื่อยไปหยุดในหยุดกลางของหยุด ให้ใสละเอียดทั้งดวงทั้งกายและองค์ฌานโตใหญ่ทำความรู้สึกนะโตใหญ่ใสละเอียดไปตามกายไม่ถอนออกมาทำไปจนสุดละเอียดทุกท่าน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 มีเทพยาดาพรหมอรุภพรมและสัตว์โลกในทุกติภูมิขอคุณสนพรลบุญนี้จงถึงแก่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงเป็นพระวะปัจจัยแก่ท่านทั้งหลายให้ปราศจากความทุกขโศกโรคภัยสัพภอันตรายและอุปัตรวันตรายทั้งปวงปราศจากอุปสรรคในการดำเนินชีวิตโดยชอบจงจเจริญรุ่งเรืองในพระสัต ธ, ธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและกิจาการงานโดยชอบมีอายุมั่นขวัญยืน สุขสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติมีมรรคสี่ผลสี่และนิพพานหนึ่งโดยสมาธิิแต่ส่วนเดียวโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเืน่นนิพพานะปัจจะโยโหตุสัพเพพุทธาพลปัตตาปัจเจ ก, กานันจะยังพลัง อรหันตานันจะเตเชนารักขังพันธามิสปปโสเตอัตลาสุขิตาวิรุฬหาพุตศาสนอโรคาสุขิตาโหถทธักษะสัพเพหิยาติภิกขะวะตุสัพมังคลังรักขันตุสั พ, พเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสั พ, พธรรมานุภาเวนะสั พ, พสังขานุภาเวนะสัทสทูถีภะวันตุเตสาธุชนก็ได้ปฏิบัติธรรม ตามเสียงของหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยยะมงคโลผ่านไปแล้วท่านได้แนะนำวิธีการเจริญภาวนาธรรมเบื้องต้นแก่าสาธุชนเพื่อที่จะให้จิตใจสงบประงับผ่องใสปราศจากกิเลสนิวรณเครื่องกลั่นปัญญาและเพิ่มพูนบุญกุศลในส่วนของภาวนากุศลซึ่งจะเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้สาธุชนดับทุกข์ได้ด้วยตนเองสาหรับวันนี้